ท่นพระโตษาราพระพุทาช น, นหลายและบรรดาผู้ปกิบัติในปรการไปางถัดวันนี้ก็จะขอให้ขอ้อคิดสาหรับนักปฏิบัติเนี่ยในการฝึกมโนมิจฉุแล้วก็ให้ขอ้อคิดสาหรับครูผู้ปฏิบัติการฝึกมโนมิจที่เราปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบัน โยเทวะเป็นมโนวิถีเดยตรงก็ไม่ได้หรือโยเทวะเป็นหลักอิชาสามเดยตรงก็ไม่ได้ทั้งนี้ทงัทงๆว่าต้นชาหลวงกำลงสามระ ก, การทาาั้งมโนวิถีและอิชาสามที่เการปฏิบัติท่เราห็นวแตกต่างกับการปฏิบัติที่เราเริ่มมาแม่แบบแรกนี้ว่าข้ขอคิดสำหับนักปฏิบัติก่อน เรื่องขึ้นมาปฏิบัติอาจจะมีความรู้สึกว่าการปฏิบัติแบบนี้แตกต่างกับที่อื่นมากหรือว่าโดยเฉพอย่างยิ่งที่มีเองก็เช่นเดียวกันไม่เคยปฏิบัติมาก่อนนั่นก็คือการปฏิบัติให้ถืออารมณ์เก็ดมีความรู้สึกแข็งขัญจุดนี้แจะเป็นจุดที่หนักที่สุดสำหรับนักปฏิบัติใหม่ แล้วก็เพื่มีกําลังใจในต้นบนเพราะว่าการปฏิบัติแบบนี้ถ้าหากว่าเราไม่มั่นใจในจิตก็อาจจะมีความรู้สึกว่านั่นมันเป็นอารมณ์คิดที่งลภใจตนเองแต่สสำคัญพอจริงเรื่องี่ยมันไม่จริงไม่จังอะไรขึ้นมามันจะเรื่อสมมติขึ้นก็มีเคยผู้ฝึกถามว่าเวลานี้เห็นเหยื่อมาก อ่นก็ตอบว่าไม่เห็นแต่ความจริงมันม่เห็นเมื่อทูตผู้พิจารณาว่ามีความรู้สึกของจิตมีความรู้สึกว่ามีอะไรอยู่บ้ล่าสร้ามความรู้สึกของจิตนักปฏิบัติใหม่หรือว่าท่านที่ยังไม่ได้มาก่อนอาจจะไปนั่งไม่กี่นี่จะมาปฏิบัติแบบ บ, า บ, า บ, าบา้าๆบออะไรกันแบบนี้มาเดีวก็จะให้มันนั่งเล็งถึงความรู้สึกของจิต ใจความรู้สึกขอเจตหนี้มันจะนึกอะไรก่็นึกได้จะว่าดภาพแบบไหนก็วาดได้ตามอัธยาศัยใจความรู้รสึกตามกฎธรรมดาเป็นอย่างนี้แต่ความจริงข้านบรรดาท่านรับรักปฏิบัติหลายกฎศาสตร์เพราะถ้าจิตของเราอยู่ในสภาพอารมณ์ที่เป็นสมาธิตการให้นอนสมาธิให้ดีนั้นก็ต้องอาศัยกำจัดวิวน่ารัการให้สิ้นไป โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคณะที่เริ่มส้นผู้ฝึกใด้คำแนะนำยาวทั้นนั้นไม่สำคัญเพาท่านรวบรวมกำลังใจของท่านตัดสินใจดยการนั้นทันทีมเมื่อเชื่อที่นี้ที่จยวกว่ายอมรับความเชื่อแบบโ ง, โง่ๆที่คำว่างโ่อก็หมายความว่าเราจะได้รู้สึกความจริงกัน ว่าที่ผู้ฝึกเขาแนะนำมาแบบนั้นเนีมันจะเป็นผลดีผลชั่วไม่มีผลข้างหน้าเป็ น, ดนใดโดยไม่นึกถึงเรื่องอใดทั้งหมดตั้งใจเิ็ดไตรตรองไปตามคำแนะนำของท่านผู้ฝึกแล้วก็เราจะแพทย์อย่างหนึ่งเ อ, อาลมจิตยาปากให้แ น, น่นเลเกินไปขณะที่รับฟังไปก็นหมดรู้ลมหาใจเข้าออก ฟังคตบิตให้มันอยู่ในขั้นลมหายใจเข้าหาใจออกแล้วก็ฟังไปด้วยฟังไปด้วยแล้วก็พิจารณาตามไปด้วยการพิจารณาตามให้พิจารณาตามเฉพาะจุดที่รู้แนะนำแนะนำให้หลังจากนั้นขณะที่เพืน่นแนะนำแนะนำเสร็จเพราะวาพาไปนี้ไ ป, ไปให้ใช้เวลาปลอดเชิงครึ่ง ข, ข, ขม่วง ตอนนี้ท่านก็ต้องใช้กำลังจิตแบบนี้อนันดับแรกทําจิตให้สบายไม่มีเวรไม่มีใครกับใครแล้วก็ไม่เห็นว่าคนนั้นผูน้นั้นคนนี้ผู้นี้เรานี้ก็เขาเราเลวกว่เขาเราเสมอเขาตัวนั้นบป็นซ้ายตัวนี้เป็นขวาตัวนี้เป็นกลางตัวนี้เป็นประชาธิปไตยตัวนี้เป็นประชาการตันี้เป็นคนนีนนนน้ในวงการของศ า, าสนาไม่เกี่ยวกับการเมือ วางอารมณ์เสียหมดเขาจะเป็นอะไรมาจากไหนก็ช่างมีความรู้สึกอย่างเดียวว่าคนที่มันน่าอารมณ์กลมกับพวกเรานีเป็นพวกของเราเรามีความรักเขาเท่ารักตัวเราเราสงสารเขาเท่ากับสงสารตัวเราเราิดีในความดีของเขาเหมือนกับเราได้ดีด้วย เราจะมีอารมณงเฉลยเมื่อเหตุบางอย่างไม่เคยขึ้นซึ่งเป็นกฎธรรมดาที่ป่วยไข้มาสบายดีตรงจึงตรงตามหรว่ามีใครยังทำเราไม่ถัดข้าในใจบางอย่างที่ไม่ที่ไม่ถูกใจเราตอนนี้ระวังเฉยเถว่าไปเรื่ธรรมดาจิตมันมก็ไปจบแล้วโดยเฉาอย่างนี้นักปฏิบัติที่เขามีผลดีละจะจันใช่ร็วนั่นเขาเ็นผ้ทร ง, งสูงโดยสด คำว่าสิบลอยสุดนี้ไม่ใช่จะมาลอยสุดใเวลาปฏิบัติตอนยสุดการตลัดมามีบางท่านซ่งถึงห้าลอยสุดบางท่า น, นสา่งถึงแปดลอยสุดเป็นปกติเรื่งว่าเส้น ม, มีความสำคัญไม่เท่ากันถ้าซ่งถสหา้าลยสดอารมณ์เ็จขท่านจะส่งได้เปท่านจะส่ด้ราสิบห้าคำี ถ้าทรงเห็าลอสอามณจจะรงหน้าท่านตอานาคามี่อถึงเลตผลแต่ถ้าขนาดครวนั้นในแค่ลาตตะมัดถ้าถึงเวลาตผลวันนี้ถ้าไม่หมดช่วนี้ผ่านพระมีเห็นชานายี่สิเจ็ดอยู่แล้วเป็นเระอารมณ์ใจของท่านพระปฏิบัติที่มีความสำคัญก็คือมีพระมหันตสี่มืิดย์ละสสาม ไม่ช้ายินดีแล้วก็ยดนดีวางเฉยั่นแลโอกัสธรรมถิงเรื่ไปเรื่องธรรมดาในสิ่งใหม่สดเม่อหน้บบนา น, น, น, นากจะไมมีขณารลกสังอารมณ์จิตไม่ไดสมาธิหรือแค่ชวนตามที่ครูอาจารย์แนะนำก็ว่าจิตที่ต้องไม่ก้องอยู่การมณ์หนึ่งความรักในรูปสวยในสิ่งเพะนินเครื่องหอมม่รสอร่อยตอนทั้งผันระหว่างเพศ ันเหล่อ่วันห้านี้นื้วฝึกใหม่ๆจะตัดเฉพาะเวลาที่กำลังฝึกวุ่นใดแต่ถ้าฝึกเป็นแน่ถ้าเจ็บตรงใจนถ้ารอยากให้เขามีอารมณ์ใจใชก็เสียมันเป็นข้อดีห น, น, นึ่งิุพราณเขนี้รอปสวยๆเขากลิ่นหอมอร่อยสัมผัสราเพศแล้วก็เสรมิมในค้อมและกับความเกิดความยา ม, มาดที่มีมานกาก่อน ไม่จจะไม่ยอมให้ห่องลอยเา้านเนจิตใจจะเบิกบาอยู่เสมออารมณ์ที่เราคิดเ ร, เราคิดนานอารมณ์ใจต้องออกา้องตรงตัวไม่ยอมให้อารมณเข้ามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราต้องการหมยควมว่าครมบาอาจารค์ขแนะนำแบบไหนมาปฏิบัติแบบนั้นให้จิตมีอยู่จุดนั้นไม่ล่าเป็นสเสวอรมณ์อื่นในเวลาการบูชาไม่สงสัยในคุณธรรมที่เราปฏิบัติ เพราะว่ากาน้าอย่างนี้ขึ้นเองการพอใจในรูสวยสิ่งเพาะเป็นของไม่ได้สัมผัสเราเพ่ทุกความเกิดความบัตความเงี่ยงจิตสุ่ม่ามัมันขบจิตไม่ยูแล้วมีความสงสัยยังได้ยัหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับจิคนท่านผการปฏิบัติคนท่านไม่มีเลยปฏิบัติใจใจแสนใจก็ไม่มีผลที่ไม่มาปฏิบัติคนก็ต้องมาลงได เมื่อเขาทำมาแบบเหนียวเหียวก็ได้แหละเขาคง ม, มาหลงเขาอยู่แล้วก็ได้ดีอตอนนี้เราก็มาพูดกันว่าต่อไปว่าทำํำไมคืมอมาการจะแนะนำให้ใช้ความสัมผัสของเจิตเป็นความรู้สึกของจิตว่าเวลาที่มีความรู้สึกว่าเห็นอะไรบ้างให้ความรู้สึกไม่ใช่ตาเห็นก็จะมีเรินว่าเวลาเราทําล้นั่งหลับตาแสดงว่ ในเมื่อเราลน่หนักใแล้วแล้วก็ต้องแช่ลงของจิตแล้วการสดีไปยัรของจิตเป็นการสดจิตเขาถามว่ามีความรู้สึกว่าเห็นสีอะไรบ้างไหมเห็นดาวเป็นดาจไามเห็นจวรดาวนั้นไหมเห็นดวงดาวนี่หรยอไหมเห็นดวงดาวลมื่อนี้ตอนนี้ถ้าเจ้าเราเป็นสมาธิจริงความรู้สึกมันจะบอกแต่ยังไม่เห็นที่โฟว่าคนเรามอง ความรู้สึกไม่จำบอกว่าเวลานี้เรา no มีความรู้สึกว่ามีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้แลมีคนนั้นมีคนนี้อยู่ใกล้ๆกระเราความรู้สึกนี้ต้องใช้สายความรู้สึกสุดแรกที่มีความรู้สึกจริงมาตอบคำถามถ้าถามว่าเวลานี้เห็นพระพุทธเจ้าไหมความรูสึกไม่ไดเห็นก็ต้องการเห็น เขาถามว่าพระพุทธเจ้าทรงเครื่องสีขางสีเหลืองทม่พ่อเที้โงเสกมสีแดงก็ตอบแบบสีแดงตองตอบตามความรู้สึกรูสึกยังไงตอบแบบนั้นการเห็นสีสันมันนะย่อมเป็นไม่เสมอกนรด้่ยกำลังความสมารถและปัจจัยานยาตัวคือพวกในทางเขาอยากทำเป็นลายเขาว่า ตอนนี้คื อ, นนน เ, ขขอเขาไม่นำมีวราสบการมาก่อนเขาไม่ด่าเขาไม่รักเขารู้ว่าการฝึกใหม่ๆหม่นจะเป็นยังไง mm. และต้องใช้กำลังใจแลาควบกวมตมาสมมติว่าก้ขขอนท่านจงตัง้ง้าระปนาบรมีก็อง ส, ส, สงมเั็จาระพุทธเจ้าเมื่อข้าวสารไม่ น, นำข้าพระพุทธเจา้าเข้าไปสู่เข า, า, ขาดูแลมนุษยเจดสถานถ้าไม่เห็นหะ้าหน้าตัวท่านจะุดพุ่งตลอ ว่าพระบุรมันมีเขาเลยันลราเป็นเป็นดีโน้นราคะหนาเสีนั่นบ้างเสียน้บ้างแต่ละคนเเสียไม่เหมือนกันนั่นเป็นกา ล, ลังสมาธิครูขเขาจะไม่วาดแล้วก็จกัดจิตพวกมันไปถ้ามีความรู้สึกในเวลานี้เราอยู่้างนหรือข้าในพระุรณะมันมีเพาะว่าคือฝเขาถ้ากาลังเด็ขึ้นไปในครูเจ้ฝึกเคาเองก็จกิตกับไอคิด ถ้าเขาเ ห, เหน็นว่าเดวคนนอกเข า, า, ากา็จะหลอกใชาแข้งเราเวลานี้เขาเวลาโมเนไปเสีอะไรถ้าแข้งคนอื่นมา ก, ก่อนคนืน่เราตักระเทีมขามาเทยเหลืองดันว่าเราเป็นเนือสีคนเดียวเขียวลแล้วก็ถากรเขียมไม่มีเพชรเขาจะลเลา ส, ส, สุราโมเนมีเจ็ดสีก็สุสาราโมนเห็นเสาสนาที่เนแคบตอนั้นใครวจะบอกว่าให้ท่านเข้าไปสุรามเนี้ราะว่าเราไม่ไเจ้าในนั้น เราก็สมมติใจตัดสิงใจว่าเข้าละถึงเข้าแล้วไม่เข้าว่าจเราเข้าเข้าก็เข้ากันถ้าเราตระินักในใจว่าเวลานี้เราอยู่ในกุศลามุนีถ้าถามว่เห็นรูปในใจไหมแล้วก็รวบรวมกาลังใจว่าเวลานี้เราไม่ได้าจอยู่ที่ไหนบางคนเข้าใจทันทีถ้าสมาธิเขาดีตราหนักตึมาว่ารูปในใจอยู่ตรงนั้นตรงนี้แล้วก็บอกไป แต่ว่าถามหมอเขาไม่ได้เจ้าต้องพรณอะไรการรม้สึกเป็นแบบไงเขาบอกไปตามนั้นแต่วะการถามนี่ถ้าเราบอกยังไม่ถึงเขาเขาะแนะนำวิธีพิจารณาของจิตเมื่อเคาแนะนํำวิธีพิจารณาคอนจิตเวลาเขาพูดนํำเราให้เราคิดตามไปตามคําพูดเขา ท, าทันทีไม่ที่เขาพูดจบตอนนั้นคำเราจับจุดนั้นทันทีตาผงใจว่าจุดนี้แหละเป็นจุดที่เราจะเข้าถึง เอากันง่ายแบบนี้แล้วต่อมาพ้าครูบอกถามว่าพราเจ้าทรงประทับอยู่ที่ไหนนั่งห้อยขาแล้วนั่งขัดสมาธิสียอะไรถ้าคิดมันลอยยังไงก็ว่าไปตามนั้นถ้าถามาว่าไม่รู้ถ้าจิดมันไม่รู้ก็บอกครูว่าไม่รู้ในการสึกนีก็ต้องค้าเป็นโสสารก็เรื่องข้อพิญญาข้อชาถามไม่ได้ของอะไรก็เปยากมา แล้วว่าที่ได้ตาหนักมาใหม่จากท่านผู้มีความรู้พิเศษท่านเหนมานี่รู้สึกว่าทาไม้ง่ายมากแล้วเวลนว่ า, วาต้องมีโทมิหานสีมีสิงบริสุทธิ์ในรายปีไม่เขาเปฏิวันิหาประการั้าเราสมิอันสีเราสิงบริสุทธิ์นี้ต้องตลอดวากตลอดชีวิไม่เทอาจะเข้มาเวลาสุดถ้าะรามีวันห้าประการกนในขั้นต้น เมื่อขั้ันโลภีกระงับไปเพเวลาจะเรสมาธิขณะใดที่เ้าเลิกเวลาให้กวนมาทุมใจสมาธิเราก็หายถ้าสมาได้ท่านนเราสามารถควบคุมวันไม่ยั่งว่นใจได้สมาธิก็ทรงตัวเราจงอาคิดว่าเกงะความส่งนี้ไม่ใช่เรื่องของเขาเป็นเรื่องของตัวท่านเองแต่เก่งแลไม่เก่อยู่ที่ท่าน มั่อเคยไหวสามพิจนาก็มีหลายขัานที่แรกเกิดไปสมุดพิจนาบางทีจะนั้งนั่น exit แล้ว ก, ก็มีความรู้สึกวามีสุดแสงสว่างเมื่มีความรู้สึกว่าพรจะเจ้านั่งอ่ในขณะนั้นบังมีเทวดานันมีเท ว, ด า, เวดาอนี้ถ้าจิตบอกแบบไหนเชี่ยจิตทันทีอย่างนี้พี่ถึงว่าปนนานน่ะบอกว่าถ้าแกจะขุดกับฉันแกต้องสุดแบบคน่อ ถาอดใจหลากเช่นนี้ใสดท้ายอ่ะ น, นี่เป็นเรื่องเป็นความจริงแล้วจลองถามคนยิ่งศรทธาว่ใหม่ใม่เพราว่าสมเป็นแบบเราเนี่ยแหละนั่นหลักฝามือทางช้างพอต่อไปครูก็บอกว่าขอมเมฆองสมเด็จตาไมาท่าก็จา้ดอกัความดีของเราที่มันเป็นมาพอได้ข้าวมันข้าพเจ้าเมยที่มีภัยขอสมเด็จเขาไม่จตนาสดำนำไปที่ไห น, นตอนนี้แล้ ว, วก็พ้อิจเจ้าเขาก็ได้าวไปแล้วก็ไป ไฟระ บ, บัดใจมันก็อยู่ที่มีพันแล้วถ้าจุตมีกำลังก็อาจจิตตรงข้อศอกมีพันอันนี้บางคนเข้าสว่างังแต่ยุรมีจรงจริงบางคนต้องจะขึ้นมาสว่างที่พันเห็นมัมนไอเห็นไม่ใชใจความรู้จิตมันบอกเห็นว่ามันฟังจิตบอกว่าโอ้แต่เจ้านางที่นี่แต่ตัวแบบนั้นอีใหมผู้หลับแบบนี้แต่งอีสันเราแต่ตัวแบบนี้เพ่เกไปนี่ทั้งใหมๆ่ๆ พอเราฝันในนี้ทุกวันทวันทําจริงๆอย่างเมื่อสอทําวันนี้คุณพาคอนการเสรีเจอมาวันแห้นที่เล่นว่ากันแบบดำน้ำมีแหละเหมือนกัเราเราสึกว่าวันนห้นเราต้องหัวใจของแล่โลกทุกการกับนิพนธได้เวลาจากนันนอนเธอก็ไม่นอนเปล่าเธอก็รักษาหลงคุณเธอพอเชาเมื่อเธอก็ขึ้นไปหายติพาเต็มมาใหม่ๆ ตอนเช้าเวลาฉันอาหารเพ่มม า, าเลยงานพันน้องพ่อามาคืนนี้ที่คิมีความรู้สึกสัมผัสวาเปเงินงนี้มมนเห็นเลยตบ่บอกปราความรู้สึกเ ข, ขาเกิเราสวามัช้ามัมีกลับเหงที่เที่แล้วเห็นรจริงารนั้นอันนี้ไม่ช่าดาันเพราะว่าควา ม, มรู้าเิดในสมาธิเิดมันคิดมันลอกจริงแต่ว่าถ้าเราสงสัยก็ถืว่าเราเป็นทายขอ้อยวน ถาเราเันท่า น, านวันเอาเดีอะไไม่ได้เลยวันเป็นกิเลสมีขอท่านมปฏิบัติใหม่สร้างความเข้าใจเฉนๆน่เป็การนึ่คนที่เขามีศรัทธาจริงทีกาลังใจจริงยังคณะเวสารชานนลุนการะรีวันนี้นป็นพุที่สิบแปดเมื่อคืนวันที่สิบเด จ, จ็เ่ยมาจากกนรรี คนนี้ไม่เคยฝึกสมาธิมาเป่นเดือนข้างไหนเลยขึนเป็นน้องชาอาเทปที่เขามันทึใงวนเวลาฝึกไปฝึกไปท่านได้ฟังแล้วก็เปิดฟังไปเรื่อหนังฟังมังนรนฟังบ้างที่ตัวิดตามไปนเรื่องก่พังเที่ยววันนี้เพร้อต่างๆได้ก็ไปเห็นชัดหนาคืนไม่มาตอบถาม ข, ข, ขึ้นเข้าไปเขนใจแล้วค่สายมีแก้วเายังไม่รู้ว่าเป็นใคร ม่าถามขี้จะไม่ทราบว่าเป็นอ่อชื่อชายคนคนสมบูบ ร, ร, รณ์เมสาในชานนท์เพราะฉะนั้นจิดสายหนือก็จริงของควารู้จิตเห็นจิตใส่เหนือที่ไหนก็ไปนี่หมดก็เห็นชัดหมดให้ตั้งจิตตรงแต่ว่าผ่านเที่ยงบอกว่าถึงแล้วถามว่ามิมานก็จรูปร่างเป็นยังไงที่บอกถูกเห็นแล้ ว, ว็จะไม่เจอบอกว่าเห็นนูตรงเอ่งบอกถูกต้อง ในเรื่องสมีดามันานางเตายไปแล้วใจความจริงคือผู้บุกกะระลุกว่าพ่อแม่ของเขาไี่ตายไปแลอยู่ที่ไหนถ้าจะต้องการให้เธอตอบมางเลานี้ไปหาพ่อกับแม่ที่คเคยเนรา น, นอยู่ที่ไหนเธอว่าตอนว่าพ่อและแม่ที่ตายไปอยู่ชั้นดาวเดงถ้ามองหาพ่อกับแม่ถามมริมาณของพ่ออยู่ก็่ไร่อยู่ราโม น, นีไห เธอตอบตรงแผลม า, า, าอยู่ใกล้ว้จะลำนี้ใถามว่าเป็นไม้ของแม่อะไร่ตนไหนแล้วก็ตอบตรงจุดอีกวาเปไมของแม่หยู่ก็ไล่ออไปหน่อยหนึ่งห่างไปห่นงเนีไม่ใช่คำอะรว่าห่างไปหน่นึ่งถ้ า, าถามว่าเวลานี้พ่อกับแม่มาแล้วหรือยังแกบอกมาแล้วความจริงเก็เกิดรู้ว่ามาแล้วขาาจะทับแคมว่าท่านดีใจไว้ เขาตอว่าท่านนางสองดีใจมากที่ลูกชายขึ้นมาได้ให้ถามท่านางสองว่าท่านพอใจจะปฏิภาณไหมท่านนางสองก็ตอบว่าเตยมตัวพร้อมครองเต็มตัวเพื่อปฏิภั ย, ยคุณพ่อพ็นธุบา ร, รมีต่ อ, อ ม, มีคนดยเขามีปัญญาและมีกำลังใจจริงเห็งแค่ เ, เทปในการฝึกไปรับฟังเขาก็สามารถทำได้ทั้งเพียงนี้และก็อารมณ์จใสจริงด้วย ดการสุกที่จนได้แล้วไม่ได้นี่มันอยู่ที่เรารับการฝึดครูบาอาจารย์แนะนําอย่างนี้เราก็ไม่เราก็ไม่ใช้กาลังจิตใจตามแล้วก็ปล่อยลมชงเป็นเส้นบ้างที่เป็นเงินน้นบางที่เนงินนี่บางสิ้นไม่นี้สุดท้่บ้างขาดก็ไม่หันใปบ้านตกเงินหน่อยของที่หวนห้ามบางก็พังอย่างนี้ฝึกไปเท่าไหร่ก็มีช้ำได้ยแบบหมด จะไม่ได้แ้วไอ้ที่ได้ก็ได้ไม่ได้ไมได้เร็วไม่ใช่ได้ดีเป็นได้ลงเร็วเขารกมเร็วหมายควา ม, วาว ไ, มวไม่ได้ฌาสมา บ, บัตไม่สำคันสุดนี่มันต้องร่วมกันทั้งสมาธิและวิปัสสนาญาณการที่จิตเราขึ้นขึ้นไปได้นะั่นเป็นกําลังของสมาธิการได้เห็นอะไรชัดไม่ชัดเป็นกําลังของวิปัสสนาญาณแต่ว่าสมาธิที่ฝุดแต่สมาธิที่เศร ที่เป็นสมาธิเรื่องวิชา ส, สามแาน่สิญาแย้นพันหลายด้วยกันในเรื่องนี้ต้องมีความเข้มแข็งต้องตั้งใจให้แน่วแน่อย่างที่หลวป่าท่านบอกว่าถ้าแกจะเล่ีกับใครแก ต, ต้องเล่นอย่างคนโงโงโงห้ามสลาดแค่นี้หมายความว่าท่านสาบชัดความแบบไหนมันถูกแบบไหนมันผิด เมื่อคนที้เดินทางไปไหม่ๆคนที่เขาเดินทางไปก่อนเขาจะบอกว่าเส้นทางนั้นเลี้ยวไปทานั้นเส้นทางนี้เี่ยวไานี้ถ้าเพื่อจะไปนั่นตรงไปเส้นทางนั้นถ้าเราเชื่อเขาแล้วก็เดินตรงทางถึงจุดหมายปลายทางถ้าเราอดเร็วนะก็ดีไม่เป็นไรถ้าเราอดเร็วไปแวะทางซ้ายแวะขวาเลี้ยวซ้ายเลีวขวาผิด ท, ทางมันก็ไม่ถึง <c oughs> ข้อนี้มีระมายชั้นใดที่ผู้รับฟังอาจารย์พูส้สอนก็นไว้กัน ก็ต้องใช้อารมณ์แบบนี้แหละถ้าหากว่าทําอดตัวว่าเป็นผลดีเป็นผลร้ายนั่นหมายความว่าการฝึกก้อนท่านชาติท่านชาติไม่มีผลที่เรื่องการในเวลาตั้งอารมณ์อย่าตั้งให้มันแน่นเกินไปปล่อยอารมณ์สบายๆทาจิตให้มันไม่จบเติมเบาๆจับลมไม่ใจเขาออกให้คำภาวนาคนดีให้การพิจารณาคนดีทําแบบสบายๆ ย้ายเียรไม่ย้มันไมนใช่ื่องอืนให้แมวจิตพอเป็นศพคดีเพียงเท่านี้การเกขึ้นเดียวก็ถึงจุดจบหน่ยตามความประสงตอนนี้เพหน้าที่หียวรับคัเพียหน้าที่สองกลัไปใหม่เขากับเียก่อนเไปเรารรับคำฟรับคำคแนะนำตอสเป็นเ่การึกวนอวิชี เมื่อใจคนดีก็ขอให้ท่านเลือกสรรเอาข้อสอบถามจากบุคคนสมมุติว่าท่าน ม, มีโอกาสไปที่นี่หรือว่าฝึกอยที่นี่แล้วแต่ยังไม่ได้ผลท่านกลไปบ้านมีความปรสงค์จะฝึกต่อถ้าจําได้ก็ไปฝึกถ้าจะไม่จะเสี ย, ยไปก็เอาเทิดจากคนนี้แล้วกันฝึกที่ได้ยากที่ฝึก้าไปรับฟังเหมือนกับผู้ชายของคุณส ม, มบุรณ์เมกะิชานนท์ เนี่ยคนนี้น้องชายมายให้ฟังแล้วก็ฟังไปฟังไปฟังไ ป, งไปที่สุดเพราะอาใจเขามีใจไม่ดีเขายรียนได้แล้วก็ได้ในขั้นดีมากไม่แค่ดีน้อยเห็นอะไรชัดการเห็นเน่ยอย่าลืมนะไม่ไดุ้กตาขึ้นไปเห็นได้มันกับตาเห็นสว่างสว้ยมากถ้เาเขาว่าใจก็ไม่ดีที่ นนเป็ตอนนี้ไปก็ขอพูดอยหน่อยนึ่ในเมืม่อท่านรู้สึกว่าฝุกได้แล้วขั้นไหนประามพยายามฝึกฝนทำอยู่สเสมอๆอย่าลืมนะจาว่าบุคคลคนดใดถ่าทางสํานักเขาแนะนาเวลาที้ ส, ส, สุดสุดขอสํานักจนใช่ไม่ใช่ธรรมจุดสุดขอสํานักเพราทางสํานักนี้มีความสามารถแขนไหนสอนแค่นั้น ไม่ใช่ว่าเป็นสแนลที่มีความสามารถ ส, สูงสุดสนนลอื่นจะไม่ได้ไม่ได้อย่างนั้นคือลอื่นเขาก็ดีเท่านี้ก็มีสองใบดีมากกว่า น, นี้ก็ยังมีอยู่ในสุขเท่าที่มีความสามารถจะสุขให้มันได้แล้วก็มันขยันมันเพียรตัวอย่างที่เห็นแท่ ก, ก็อย่างคุณมิพาพ ร, รายสีวันแรกเธอมาวันแรกเหนืยมาเท่าก้มีปัญญาใจคิดว่าไม่มีโอกาส แต่ว่ า, าจะมายเห็นว่าคนสองคนมีสถานีโอกาสมีแน่ยังไม่ได้เธอมาแค่นั่งเอกพลเจ้าการเปล่ยนเปลี่ยนเปลี่ย น, นก็ปนไปเคยทำไปตามเรื่องราวป่อยได้ป่อยมืดอมื่แบบออกตามบอกคำช้างแต่เอาสายที่เป็นคนฉลาดหรือว่าสิ่งใดถ้าเรายังไม่เคยเขาบอกก็ต้องลองเชื่อไว้ก่อนแล้วลองปฏิบัติตาม ในที่สุดพอวันนี้สองเทเขามารายงานว่าอารมณ์ที่มีความรู้สึกทุาเรืนอย่างานนี้เป็นทีงหมดเห็นทับเพียนกันไสดูเพื่อสองวันท่านั้นก็ทําได้แล้วในการที่หลวงปานท่านแน่เอาจมาบอกว่าเวลาจะเล่กับท่านก็แกต้องเี่นกับฉันแบบโง่ๆนี่ก็เป็นเกมเพือโง่เพื่อหาความดีหาของสิไม่ใช่ฉลาดเล็กของสิ ถ้าทุกท่านตั้งใจจริงุกผลจริงก็ได้จริงแล้วมีหลายท่านเหมือนกันที่มาฝึกที่วัดแล้วไม่ได้กลับไปทำที่บ้านไปทำได้จริงและก็เป็นครใบาก า, ารกันด้วยทางคณะนี้หม่หวงเมื่อใครทําไปได้แล้วเราทุกคนก็ไปช่วยกันสืบทอดนิยมไบ้าปจะได้ไม่ต้องเดินทางมาที่นี่ให้ลาบากแล้วก็ช่วยประ ก, กาศด้วยบอกว่าจะปึกแค่วันที่28 เห็นว่าเวลานี้พระีิไวคนดีคนนิวานเนี่ก็นดีได้ทนื้อหนับพอที่จะเป็นโคได้มีหลายท่านพระพิไวเกือบไปหมดวัดอาเจียขาดไปบางองต้อกพระนั่นเองเห็นว่าเป็นโคได้ยัการฝึกแบบนี้ก็อย่อาเขาประกาศว่าไม่ติดจะเปิดรับทั้งปีตลอดปีเรยว่าทั้งปีถ้าบุคคลที่มาฝึดแล้วพระบุคคลฝึกต่อตามจะไม่อยืนตลอดการไม่ได้ คราบหนึ่งท่านผู้มาจะมาอยู่ได้ไม่เกินเจ็ดวันแต่เขาให้สรวจเยี่ยมตัวเองได้ด้วยท่านบนในขอบรมณ์ศิษย์ทันผ่นแล้วตัว น, นั้นถือว่าหยุดการสยุดหมดภาระของโกรถ้าไปปล่อยให้เฉื่อยลงที่นี่ไม่รับสรวจสอให้หรือว่าสอนให้ถึงระดับสุดสูดงสุดขอสถานที่แล้วท่านรักษาไม่ได้ก็ไปเรียนต่อท่านจะไม่ยอมทดควนให้ มันไม่ใช่ว่าท่านรักษาวบหน้แต่พอไปถึงใบจะทําเขา้ามันมีความแจ่มใสมีขึ้นมีความรู้ว่าขึ้นเกรงว่าจะเผลอไปจะมาทบทวนสอบถามอันนี้จะบอกค่ะแต่ถ้าว่าท่านทำสูญหายไปแล้วจะไม่ยอสอนให้ใหม่เด็ดขาดนอกจากว่าท่านจะสุดผลเมื่อท่านให้เข้าสุดระดับตามเด่นไปเรื่อยๆท่านทําหรือไม่ทํำก็ไปเรือ่อยๆ น, นี่เป็นอาการหนึ่ง ถ้ามือคนดื้อๆเขาเรียกว่าประเภทดื้อแนะนําแบบไหนก็ไม่เอาแนะนําแบบไหนก็ไม่เอาอันนี้เรื่องสั่งบรรดาท่านที่ออคอยเป็นูได้ว่าใครก็ตามแนะนําให้เราสาวาระถ้ายังไม่ปฏิบัติตามท่านครูนั้นให้วันทึกที่ไว้ว่าเราไม่สามารถจะสอยเขาได้ตลอดชีวิตเป็นอนว่าไม่ทําการสอนตลอดชีวิตถ้นไม่พ่อไทยรู้ว่าการสึกนี่ ต้องดูพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านจะต้องสอนได้เฉพาะคนที่มีความดีศิลธามมากับท่านเท่านั้นถ้านเล่าจากนั้นก็ไม่มีโอกาสจะเปิได้แต่เช้วาว่าผมไม่ใส่ไม่ใช่ว่าส่าักนี้จะเปิดคนทุกคนให้ได้เหมือนกันทุกคนเขาไาม่โสดาบันเปิดไม่ได้หรอกถ้า ว, ว่าท่านไม่มีขาดศรัท ธ, ธาความเชื่อสองขาดอริยะความเสียน สามขาดควกคุมกำลังใจให้จองุดกถ้าขาดสามอย่างนี้ท่านจะมาฝึกเท่าไรที่นี่ก็ฝึกให้ไหม่ได้ฝึกให้ได้แต่ว่าท่านไม่ได้กนได้หรือไม่ได้เป็นเร่ที่ใช่สำนักจะได้เพียงูนแนะนำเท่านั้นตอนนี้ไปก็จาขอคุยกับคนที่ทำได้แล้วท่านฝึกได้แล้วเนี่ยมันได้แล้วดับไหนก็ตามฝึกคนไม่ได้ การที่สํานักนําให้ถึงจุดผิิภานและก็ไมันําไปแว้ที่ไหนนั่นก็เพราะว่าถ้าหากว่าถึงจุดนิิภานจุดใจแล้วท่านมีการรักผลิภานเป็นอารมณ์ถึงว่าถึงว่าเป็นจุดสุดในเขตของศาสนาเมื่อถึงรดับสุดสุดแล้วท่านอยากจะไปที่หลังท่านอยากจะไปไหนนั่นก็ไปได้คือที่ไฟเป็น่าที้สมาธิของเราอย่างแคบอีกว่างลีบสุดก็คือว่ามต้องเป็า ชาไปหน้าใดจุดใดจุดหนึ่งสมมติว่าไปเห็นพระพุทธเจ้าเป็นรูกพระสงฆ์หรือว่เห็นพระพุทธเจ้าเป็นลูกพระพุทธโลกนี้เกิดไปทางสามสี Titanic, ส arena, <Yeah. S 2> ่คนหลายคนเห็น hmm. ไม่เหมือนกันตอนเห็นไม่เหมือนกันนี่แสดงว่ากําลังสมาธิและวิจารณ์ของท่านไม่เท่ากันเมื่อสรางเยฐานว่าขอบารมีข้อควรจะสมาพระเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าจงการอยากจะทราบเห็นภาพความจริงของพระองค์ในสมัยที่อยู่ในข่าย เท่านี้แหละภาพนั้นก็จะปรากฏขึ้นไในใจถ้าไปที่ไหนเห็จะมีมันเบื้องว่งวางๆไม่มีคนต้องสร้างทีวิตฐานทีว่าที่นี่มีใครบ้างเขาเห็นขเนขานก็เหหมดเขาต้องทําทกันแบบนี้เลยเป็นแบบฉบับเพราะว่าสมาธิของพวกเราที่ขึ้นไปมันมีวงแคบมากแทนเปรียบเทื่อก็อย่างนี้คือสมาธิ ข, าของผู่วนการลกง จะเมื il, ates, Lord, ine, so ่อลงขบคุณหมูว่าใกล้จะค่าแล้วไม่ค่าแหลมมองหน้าขมิ้นับเขาเห็นดำแด่ส่มแล่ค้ไม่รู้ว่ารเป็นท่านพราอริยเจ้าท่านจะประสวด์าไปขึ้นไปในด้านาคาแสงสว่างเขาสมาธิเหมือนกับเทียนทียุดในที่มืดมันจะมีแสงะว่างมงแคบๆถ้าเป็นพระราห์โกติจะเหมือนกับเียนท่ร่วไปตั้งในที่มืดแ้งสว่างมันก็ไม่กรไเยไม่ไหลหรืไม่ได้มา ถ้าเป็นพระอาารุ์สาวกจะเหมือนเราแคกแรงเปนจุดที่จะทิงมมือสว่างมากฝอาไเจ้าไม่ใไ่นะถ้าพระไปเจอพระพุทธเจ้าอารมณ์ที่เป็นทิพย์แสงสว่างจะเหมือนจะเห็นไปเหมือนกับพระจันทร์วันเต็มแสงสว่างเมื่อกดยังหายในวันเต็มไม่มีเมตต์ังมันก็เห็นไม่ใส่นักเห็นไม่ชัดนักถ้าขอศูนย์เดชสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เห็นเหมือนข้บกลางวันเวลาเที่ยงถ้าทิพเวลาเที่ยงกไม่เหน่อยเมตตัง การเห็นต่างกันแสดงการเห็นแต่ละจุดเราจริงๆเห็นอะไรไม่ครบต้องการอย่างครบให้อธิบายจิตขออยู่ที่ข้างหนึ่งว่าที่นี่มีอะไรบ้างมีใครบ้างพอเห็นครบเราก็เห็นครบอันนี้ก็ต้องจับแล้วต้องพยันใหม่เปลี่ยนมีคนมาถามมาทัากลับไปบ้านจะทำอีกไหมถ้าลองแบบนี้แล้วก็เก็บทุกรายแสดงว่าจิตใจได้ยังไม่ไม่คงในความ ไม่ใช่ว่าใครเข้ามาเข้ามาดีที่สํานักกันเข้ามาฝึกรู้นแนวทางแล้วก็ฝึกสอนตนเองไม่ค่อยเที่นะคนสวรรค์มาสอนที่นี่ไม่ได้กลับไปบ้านเลยทาได้ไม่ว่าทําได้ดีด้วยเวลานี้ก็ไปสร้างสำนักเปนครเมื่อใครฝึกได้ก็ให้ไปเป็นครเลยาเมื่อไม่หวงความรู้ว่าทุกคนจะต้องมาฝึกแบบทีดีใครทําได้ทุกคนจะสอนตัดคอยช่อมการสอนการสอนนี่เราไม่รับค่าจ้างรางวัล ไม่ได้ดูดเีินมเรียกทองแต่ว่าจงสอนแต่บุคคลที่เขามีศรัทธาคะลูกเขาไม่มีศรัทธาจะไปชวนเข้ามาสอนให้กันดาเอาม่ได้เกิดความเดือดร้อนต่อไปหลังตัวนี้จะเป็นส่วหนึ่งที่วันดาท่านหลายยไรับการแล้วต่อไปที่เรื่องควจะพูดกับ็มาพูดไปสุดหนึ่งคือท่านที่ได้ดีแล้วไม่มีความขยันหมัอนเด็ก การยังไม่ได้ดีแล้วคำว่าดีแล้จริงๆไปเข้าถึงโลกุตระอันดับสูงคว่าขัานดัชนีสูงก็ต้องแาลว่าตั้งแต่ว่าโซนาบันขั้นเอวีสิ้นไปต้าถือว่าสูงตัวน้อจะหมดความอยากความอยากมันจะลดน้อยถอยลงอยากเที่ยไปนอนอยากเที่ยวไปนี่มันที่เทียวเที่ยวเไปสวรรค์เที่ยวเดียวก็เพื่อแขนมั่นละไปที่ยอบเพื่อ่อม ไฟทรมทั้งหมดทีรอบมันก็แขวนนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแขวนไฟในรอบทีรอบมันก็แข่นนั่นแหละมันจะเปลี่ยนกันมากคนใหม่ลงไปคนเก่าวาง้ไปมันก็เลยอารมณ์ที่เกียดทําไมจะมีเกลียดเพราะเกลียดมันเบาลงในตัวขยันเที่ยวอยากเห้นนนอยากเห้นนี่อยากเห็นนั่นนั่นไหนว่าเกลีมันเยอะมากอนปัญหามันยังมากเลยู่ไม่ก็มีความขยันพอตัญหาน้อยลงเท่าไรความขยันเที่ยวมันก็น้อยลงเท่ หยุดนั้นก็อยากจะหยุดเล็กๆแบบจำบ้างบางคราวแม้สายพันก็ไม่อยากไปทำจิตใจหยุดตัวใชยๆอะเรสไปตอนนี้ก็ขอเจอนิดเดียวเจอนี่นไม่ใช่อะไรเพราะเราควรจะจิตอย่างเข้าถึงผลิตภัณฑ์มากกว่าวันนึงก็ไม่ต้องใช้เวลามาก พอจิดใช้พันแล้วเป็นหน้าอยู่หน้าอ๋อสุดเด็ดพระโกมีสภาวแล้วเข้าไปในของเราเห็นเราก็เด็กเก่านี่จ้ะแล้วไปเรือนหนึ่งมันจะถอยอกมาคิดไม่จับอารมณ์สบายก็ไม่จับสุดามนั้นดีทำแบบนี้แล้วถ้ามันจะจับอยูในชาขั้นไหนไม่าไปสนใจมันก็มีบางรายถาว่าชานสี่แล้วไม่ปรากฏอารมณ์ใจก็ออก ในเวลาที่จไปสไไส เ, ออเปสร็ไม่ถึงทางสี่ก็เขาจะโดดขาดเพราะไม่ถึงทางสี่มันไปไม่ได้ทางสี่เพื่อจะกราสุดลงให้ใจเท่าออกมาเพราะว่าเป็นบางทีคนที่เคราะห์จๆไม่ทันจะรวมกาลังใจเพราะใจมันพร้อมคิดว่าจะปลยมาออกทุกไปเลยเราก็เราสิดว่าเราไม่ได้ขาดตอนนั้นถ้าเราจะมาคลำโดยตัวมันจะรู้สึกเหมือนไม่ให้ใจับ มันรวมทานสีมันถึงเรไฟได้ทานมันรวมตัมันเป็นปกติแล้วถ้ามันนั่งเราเรียมันไม่น่าครับปฏิบัติหลายคนมีความสงสัยว่าเอ๊ะไม่ทานแกรวมตัวเลยไม่ทานแ้ทําจิตไสมาธิไฟแล้วเต่ความจริงเรารู้ว่นั่นแหละตัวเองเป็นโู้ทรงทานโยเป็นปกติเราไม่รู้สึกตัวคําว่าทานสีที่เราไม่รู้ลงให้ใจเขาออกนันมันเป็นเวลาสุด เวลาได้โรงอยู่เวลาขึ้น่อนจะเล็กจะไปปับ ท, ทันสีมัขยับตัวไปเลยถ้าไมาร่รู้ไม่ร่างกายให้ใจออกส็ต่อให้ใจไ้เปล่าตอนนั้นก็ไม่รู้ร่างกายให้ใจเป็นไถ้าเป็นทันสีถ้าเป็น ท, ทันสีละเอียดถ้าไม่ได้ ท, ทันละเอียดเม่อไปไหนไม่ได้เพราะนั้นเราปล่อยที่ยาปล่อยปนนักชาการปอเช่นใจกลับมาที่เดิมตอนนี้โงนจำไม่ดี ว่าจงอย่ญญาคิดว่าเราจะส่งทานขั้นไหน ม, มันจะเป็นบริโภคที่จะแปลว่ากังวลใครคิดว่าเวลานี้เรี่ยงเราลองเข้าชันี่เ่อนหน่อยหนึ่งลองเข้าชั้นามลองเข้าอารูปชั้นอรูปรนันถ้าเมื่อลงจ บ, บาทรแบบนี้แล้วก็จงยามบอกตัวเองบอกใจตัวเว่าเลิกแล้วเริกแล้วเละแล้ว ความสุรบบของจิตมันเลิกแล้วถ้าสุรบบตรงไหนสุรบบกอนปัญหาปัญหามันยังได้เสียใจกายอยายจะเบียดเบียดใจต่างๆใ่ทางไหนห่อยางโน้นบ้างทางนี้บ้างพอมันไม่ไม่ตามใจหน่อยเดียวหลวงพ่อสุเผ็ดไม่เจอแสงฤทธิ์เทวปฏิภาณต่างๆจนทาแบบนี้รู้ได้จ้าธรรมกว่าถ้าิตทำหองตายระบายบายก็ ต้องทันใจอย่างนี้เมื่อเริ่มลงไแล้ไปที่ไหนก็ตาดตามสุดที่เราควรจะไปตามที่นั่นนำไปเมื่อขาดลงมาแล้วอารมณ์ใจมันรักษาความสุดขไม่ิมันจะภาวนาและพิจารณาที่จะตั้งอยู่ในเสขขถีตั้งไม่เป็นความสุขไม่ของและกับความรักความโลภความเศรธความลงหมดเงินในความสุขมันจะเป็นคันอะไรก็ทำเมื่อการเจริญพระธรรมฐานก็ต้องการอย่างเดียวไม่ผิดเป็นสุข จิตไม่ยึดกับความรักในเพศจิตไม่ยึดกับความโลภในทัพย์สินจิตไม่ยึดกับความเกิดความยมวัตจิตไม่ยึดกับความหลงว่านั่นเป็นเราที่เป็นพวกเราตอนนี้ไม่ทำว่าตื่นสายจงจำไว้ว่าตายขึ้นไปนั่นมันเป็นการติดเมื่อจุดแล้วข้าถึงจุดสงสุดที่อัดับนิทานขึ้นไปที่นั่นเป็นอารมณ์กพกับลงมาแลจิตมันจะตั้งอยู่ในอารมณ์ที่ปลอดเนื่อยเข้ามา คาว่าพอดีก็มันมาดีก็เป็นอุปชาและสมาธิหรือว่ากระตูชการเขาิตต้องการไข่ก่อนที่จะาถึงมาการเชสุดจะตั้งอยู่ในฌานี้สองอถึสามที่สีาอัริยะใช้เพราิตต้องการสงบอย่างเดียวคืไม่ต้องกาไม่ต้องการที่อะไรเพรา้างในฌานสองจะอารมณ์ชีหนึ่แงแอารมณ์ ทุกับเองพิตารเกเก็รุกนเด็กใไคิดอย่างนี้เราทำให้เป็นสุขารสมบายใจที่เาคปฏิบัติได้แล้วถ้าปฏิบัติคือปฏิบัติใน่องแล้วม่อยากไขข้อกัทองนี้็ทําทไมถึงเป็นอย่างนั้นบางท่านก็นมาถามว่าตใจเมืม่อยาเลื่อนไปไหนแค่แล้วมันใหญ่จะยุดที่ น, นั่นคงวาเรื่องสุดท้าน่น ไเหนมันบางจับแล้วมันไม่เือเลยมันไม่อยากไปไหนแม้แต่ม่ผ่านวไม่อยากไปเพรจุดมันเป็นุขเพจับอารมณ์สมาธิที่เดียวที่ตัดนานญาณหน่อยเดียวิยดเป็นุสบายสบา ย, ย, ยไม่อยากเกิดเมื่อตอนนี้ที่ต้องเปียน ว, ว่าควรจะไปจับสุด ข, ของจุดสบายเจอกผ่าน ถ้าเมื่อเรารู้ว่าถ้าเรายังไม่เป็นพระหลังด้วยไรการไปถึงผ่านได้อย่าเพิ่มรู้ว่าตัวเป็นพระหังไหมจะละหมาดการเลือ น, นไปให้ผานได้จะไปได้สองั้นสอ ง, ะสองะอ ร, ระดับระดับพระอริยเจ้ากับระดับพันโลกถ้าระดับพโลกีถ้าจิตใจของท่า น, นมีวิปัสสนาญาณเข้าถึงเทโธตรยายยังไม่ถึงระโสดาบไปอนนี้จสตจิตใจเขอเราไปถึงผ่านได้ แต่ว่าไม้ใสหมัวเห็นก็เมัวหมัวมืดมดไม่มมสว่างไม่จะไม่ใส่ถ้าถึงโซดาบันไปจะใ ส, ส่ขึ้นมาหน่อยถึงเศรษฐาคามีกระใสามากเลยเห็นรัดไม่ต้ใช้จิตตัมผัดไม่ต้องจำถ้าไปโซดาบันไปก็ไม่ต้องจำมมาเห็นแต่ไม่รัดหมัวหมัวถ้าถึงเกรษฐาคามีผลระบาครับใสมาก ถ้านาคามีผลยังมีกาะกายมากขึ้นถ้าเท่านั้นเห็นเป็นร้อยเปรียบเื้าช้ยเราถึงไม่ได้พันได้กระหมาอมที่เวลาเป็นพระอาเรเจ้าทุกวันทุกเวลาต้องพิจาราสังโยกจิตประการเลงหมดว่าจุดเราตัดตรงไหนไร้บางมันตัดได้ดังครบสิทธิ์ทุกอย่างแต่ยังไม่ครบเข็บโยนที่พอดีแต่ว่าถ้ามีการโยกครบสิทแล้วยางพลาด ร่างกายของท่านยังทรงตัวโยดท่าเก็ยงไม่ชั่วดีนี้กันถ้าเห็นนี้มันไม่มองไม่มองเห็นความดีในขั้นห้ามากขึ้นแต่ก็ไม่บุญรบนิ้วเบ็ดขาวางเลยมาเป็นสุขเีอามสบายร่างกายมันจะแก่ก็เชนแก่ธรรมดาก็มันจะแก่ร่างกายมันจะป่วยก็เช่นป่วยธรรมดาก็มันจะป่วยร่านกายมันย้จะตายก็เชินตายเพราะธรรมดาไม่ตงายแล้านี้ไม่ได้ แม่แม่เรายห็ไม่ได้แล้วแล้วก็ต้องยอมรับการยอมรับก็เหมือนเราเรามีควารมรู้สึกว่าตอนเช้าก็อาทิตย์ขึ้นอากาศก็สว่างตอ น, อนเย็นก็อาทิตย์ลับใบอากาศก็มดแล้วก็ใช้แสงไขยแข็งแต่ที่ค่ า, าทุกข์ขึ้นค า, าทุกข์ตกเองเราเห็นว่าท่านจะเกิดไม่ก็เลยไม่มีความรู้สึกอะไรเพราะค่าทุกข์ึ้นความรู้สึกใจก็แข็ง้แหละสว่าง เมื่ทราบทศกไปมันมืดกวาลูกตกใจกว่าเฉยๆเมื่อเรรู้ว่ามีความเห็นก็จริงตอนี้มีอจะมาชไ้นอารมณ์เขาท่าไรก็ไม่ใช่เรื่องกายจะแตกมีอจะกรจน้ำใหม่สมหวังมันจะโวยมันจะตายจักท่าจะขอแล้ขอผ่อนใจใครจะลุึ้ใครจะกังวลเพ่อกระชื่อเจว่าอะไรเจอรู้ว่าปฏภาวะเขงโรกว่าเป็นอย่างไรท่านไม่สนใจกับ แม่เจ <Wow. S 1> ้ายายชกบะฆ่าทหันแม่รู้จักเจ็บเพจะปวยแม่รู้จักเนื่อม่รู้จักปวดมันไม่จชกฆ่าทหันแล้วหัวต่อฆ่าหันมันจะมีการห้ากรดูกกราว่าเป็นยาวให้เจ็บให้ไม่ถูกเจ็บเป็นงรู้เจ็บเจบก็ต้องรักันอม่้รเจ้าก็ต้องมีหมอชีวกตมาดพัฒน์ที่เป็นคนรักษาเหมือนแ่าหารแม้แต่หลวงพระเจ้าเอกมีใจเจ็บให้มาสบาย พวกเราเองก็จะมีความไม่สุขอย่างไรเมื่อผู้ใดไม่มีผันไม่จะเลยเนี่ยว่าไปถึงม่ผันได้แล้วอย่าทด้องสัวว่าเป็นเูรพิเศืลองแค่ลรงจิตพวกเราให้ส่้าถึงความไม่นในวันหลายๆาครั้งก็พอเล่าโยนแค่เพื่อไปใหได้เขกันาจิตเล่าโยนทางานอย่นึกปับิเข้านันอย่างิต้ามากะจาชัดในวันนั้น่ทำงานอยู่างนี้โยนจิตัวนอนทาได้แบบสบายบ ทำงานด้วอย่างที่ว่าทำงานตามหน้าที่ที่ไม่เกิดวันแรกมี้อะไรา่างก็ทำเหมือนกับไม่มีความเสีย่ายในกา ย, ยานมีความขายันหมั่นเพียรฐานหน้าที่ของตนงานอะไรก็ต า, ามที่สมบูรณหมายให้ทาดีอย่างเมื่อารไม่ามาม้างคา้างก็ใ้้างค้างมาเป็นกลเวลาที่เราใช้จิตสมาธิวิปัสสนาญาณเพื่อิญญัณแล้วสำหรับวโนนิทีนี่เราใใช้เพื่อวิญญาณแล้วก็ื่อใช้เยอะแยะ ยาจะไาไปก็เห็นไหนก็ไหนไปตอกย์ก็ตายหรอกยาจะไปจะวันยาจะไปซมยาจะไปนิานยาจะคปนรกไปทกไปตั้งแต่ตายสติสานพ่อแม่ปู่ยาตายายใครก็ตายล่อยู่ที่ไหนก็ไปได้เพราะเราเกิดไม่เกิดจากอะไรสอย่างเมื่อได้แล้จงยาทาตัวเป็นทาสต่อไปคือเป็นหมอโดยใครเค้นทำตัวแบบนั้นไม่ใ้ากับขังเลี้หมด เรื่อความรู้ที่รู้ใจจิตของเราท่างเรื่องธรรมเรื่องเทียนที่เป็นประโยชน์ให้คทณนถามโรงองสมเด็จพระสมัสมสาสัมพุทเจ้าไอเรเกี่ยวกับโลภีสกักไม่ใอยางรักกันใจไงกันเกี่ยวกับความสุขความุกความหันผลเข้ามาเทโลกอันนี้ถ้ารายถามเทวดาองค์ใดองหนึ่งต้องรู้จะเป็นหน้าไม่ได้เลยถับสงเคราะ์เทวดาทั้งหมดต้ององค์นั้นเป็นเฉพาะ ไ ม, ไม่เห็นนั่นทำไมเกินนิสัยไม่เห็นโลกเกินไปถ้าเป็นประโยะชน์พระพุทธเจ้าจะกระต่อให้ถ้าหาว่าถามท่านไม่ตอบก็จงอยาอยาไม่ตอบเองยาใช้กําลังใจก็ตนเองมันจะเป็นอีกอันแลาา้วาาก็จะ เ, เ, เป็นอนุปามทานอุปาทานมันจะติดไม่เจะไปเลยเพราะนั้นเราเรื่องหมอดูหมอร้อนเดาเนี่ ย, ยาใบรักจางเขาเราทําปฏิบัติเพื่อความพ้นจากความเป็นท่าต้องตัญหา ย้งยาเป็นผู้อดนิสัเชือยอมตอนเป็นข่ายกับต้นหาทีา่ไมีเกิดเดือดเลยอะไรสำหรับการแตะแม่นำตัดเตรียมกันก็อขอตัดเตรียมไว้เป็นหลักว่าตเดเตรีย น, นีเพื่อนักปฏิบัติใหม่เป็นนักปฏิบัติเกา่าจะได้เข้าใจในการปฏิบัติตนตอนนี้ไปก็ถือหมดเวลากรณีขอบรรดาสงงามารถองสนัสงง น, น, นุนสัดส่วทสกคั้งในผลของวามันาการที่สร้างสร้างใจต่อระวนการตลอด